ิด อ, อยู่ก็มีโยมพาลูกชายเยอะสามสี่ขวบมาไหวจังหันพอแม่นี่เอาของมาถวายก็คงจะใส่บาทด้วยนะเด็กก็เห็น ว่าฝาบาตของของปูกขาวเนี่ยมีมีเงาะอยูนะ่แล้วก็คงจะอปอกเปลือกไว้แล้วเดี๋ยวไม่เคยเห็นเห็นเนื้อขาวก็อยากได้นะแม่ก็ห้ามนะแต่ลวงปูกขาวท่านก็เห็นว่าเด็กอยากได้ก็ บอกว่าบอกกับเด็กว่าถ้าอยากได้เงาะนี้ก็ต้องนั่งสมาธินะเด็กไม่รู้จักนั่งสมาธิเขาถามมันนั่งยังไงครูขาวก็แนะนำนะก็สอนให้นั่งนะขัดสมาหลับตาแล้วก็จ็บมาอยูที่ลมหายใจแล้วก็ ให้บริกรรมด้วยนะแต่แทนที่ท่านจะให้นำให้เด็กบริกรรมพุโทโธก็ให้บริกรรมนะนึกถึงงอะขึ้นมาก็บริกรรมามาหมากักเงาะหมักเงาะภาษาอีสานหลับตาก็นึกถึงเงาะเห็นภาพเงาะ อ, อยู่ในอยู่ในใจเรียกเป็นนิมิตเลยนะ แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกก็บริกรรมว่าหมักเนาะด้วยความอยากของเด็กนะก็เลยทำั้นที่แรกเนี่ยทำไปน้ำลายนก็ไหลนะเพราะวาความอยากกินแต่ว่าพอจิตเนี่ยกำหนดอือที่ลมหายใจพร้อก็มีคำบริกรรมก็เริ่มสงบ เร่มสงบจนกรทังจิตนิ่งๆไปเลยเข้าสมาธิเด็กมาเปิดตายจีเนี่ยก็ตอนที่ดินเสียงะระฆังเสียงะระฆังเนี่ยที่วัดหลวงปู่ขาวเนี่ยประมาณบ่ายสามนะจะตีะระฆังเพื่อให้พระเนี่ยมาทํางานกันปรากว่าเด็กเนี่ยนั่งตั้งแต่แปดโงช้าถึงบ่ายสามนะ สมาธิเด่งมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็น่าแปลกนะเด็กนี่สามาธิจะนั่งได้นานขนาด น, นั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากการที่เด็กนั่งได้นานคืออุบายของลูกผู้ขาวนะทีอ่อาศัยความอยากเนะ ความอยากกินเงาะเนี่ยเอามาเป็นสื่อในการทําให้เด็กเนี่ยนั่งสมาธิความอยากกินงเงาะนี่มันก็เป็นกินเลส น, นะเรียกว่าตัณหานียมันก็ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวนะมันก็มีประโยชน์ด้วยอย่างหลวงปู่้านี่นนก็เอาตัณหาของเด็กเนี่ยมามาใช้ เป็นเครื่องมือในการทำให้เด็กเนี่ยนั่งสมาธิตอนหาเนี่มันก็เป็นอกุศลธรรมนะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกุศลธรรมได้ทำให้เกิดจิตที่สงบมันก็มีเรื่องดท้ายๆกันแบบนี้นะในญี่ปุ่นนะเป็นเรื่องของท่านฮากูอินฮาโกอินก็เป็นพระเซนที่ ชาวบ้านนี่นับถือมากคงคล้ายๆกับที่เรานับถือหลวงพ่อโตนะแต่ท่านเฮากกอินไม่ค่อยมีเรื่องอิทธิตอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเรื่องอ่าออิทธิปฏิหารเท่าไหร่วันหนึ่งชาวบ้านก็มาปรึกษากับท่านฮาโกอินนะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชำก็ทําแต่งงาน พขพยายามชวนให้พ่อเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือกล่าวคำเดิมพุทธสุทธ์นะมันก็มีทั้งสั้นและยาวนะสั้นก็างเช็นนนโมเมียโฮเรงเกเกียวอะไรเงี้ยแต่พ่อก็บอกว่าไม่ว่างนะฉัน เ, เวลาปิดร้านก็จะทำบัญชีจะทำบัญชีอย่างเดียวนะไม่ว่างที่จะ สวดลูกก็รู้ว่นี่เป็นคแก้ตัวที่จริงพ่อว่างแต่พ่อก็บ่ายเบี่ยงมาปรึกษาท่านอากุินว่าทํายังไงดีท่านอากุยินก็เลยบอกว่าไปบอกพ่อนะว่าถ้าสวดเนมบูสูเนี่ยจบหนึ่งก็จะให้อิแปะหนึ่งท่านอากวยินจะให้เองเลยสวดกิจจบก็จะได้ธนั้นอิแปะ ให้จำเอาไว้จดเอาไว้นะว่าวันหนึ่งสวดกี่ครั้งนะลูกชายก็เลยไปบอกพ่อพ่อก็ดีใจนะเพราะพ่อเังเป็นคนงกนะเป็นคนงนะพ่อก็เลยสวดใหญ่เลยนะสวดสวดแต่ละครั้งก็จำเอาไว้นะว่าอ่ากี่เที่ยวแล้ว แล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเบิกเงินนะจากท่านอกุยินนะบางหน้าไปหาทิวะ เ, เนี่ยบอกว่าเนี่ยนะสวดได้สิบนะจบนะสวดได้ยี่สิบจบก็ท่านอากุยนก็ให้นะทห้ไปสิบอีแปดบางวันก็สิบอีแปดวันก็ยี่สิบอีแปดแล้วก็ดีใจก็สวดใหญ่นะตองสวดไปสวดไปเนี่ยจิตเริ่มสงบนะ จิตเริ่มสงบพอสงบแล้วก็ลืมสวดลืมลืมลืมนับว่าสวดได้กี่จบแล้วก็เลยต้องสวดใหม่เนะเริ่มนับหนึ่งใหม่พอสวดไปได้สักพักนะจิตสงบลืมกันแล้วเนะ่ตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกิดความ เกิดปิติในการสวดนะก็เลยไม่สนใจจำแล้วว่าสวดกี่จบแล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาในในพระตรนะไตรจิตเรื่องความสงบเนี่ยพอจิตได้พบความสงบเนี่ยไอนะ้เรื่องหรือเรื่องทองก็ไม่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็สวดโดยไม่คิดจะเอาเงินะแต่เพราะว่าได้พบ อันนี้สองแห่งการสวดคือจิตสงบเป็นสมาธิภายหลังเจ้าของร้านช่างนนี้ก็กลายเป็นผู้ประธรมนะเป็นประถาคนสำคัญคนหนึ่งของท่านหากูอินอันนี้ก็เริ่มต้นจากตัณหาเริ่มต้นจากความโลภนะอยากได้เงินทาไม่ได้เงินก็ไม่สนใจละสวดมนต์ ะแต่ว่าพอสวดแล้วเนี่ยในปัญหาเนี่ยที่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆกลืนหายไปเพราะว่าได้อา น, นิสงส์จากการสวดคือความสงบนะเป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นอุบายหนยูท่านทากุยินที่คล้ายๆกับหลวงปู่ขาวนะก็คือใช้ปัญ ห, นะหาเนี่ยครูยอดแต่ก็ัญหาเนี่ยละปัญหาได้นะเราต้องรู้จักใช้ตัญหาละตัญหา ตอนนี้ก็เป็นกิเลสนะแต่มันก็มีประโยชน์นะไม่มีอะไรที่ไร้ประโยชนนะ์ของทุกอย่างในโลกนี่นะมันมีทั้งคุณและโทษไอ้สิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษเนี่ยมันก็มีคุณอยูนะ่สิ่งที่เป็นพิษเนี่ยก็สามารถจะใช้เป็นยารักษาโรคได้ ถ้าว่าใช้อย่างถูกต้องกิเลส ก, ก็เช่นเดียวกั น, นชาวพุทธเราหลายคนก็มองกิเลสเป็นสิ่งที่ชั่วร้า ย, ยแต่ว่ามันก็มีไม่พ้นความจริงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโทษสถานเดียวมันก็มีคุณด้วยอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันเป็นหรือเปล่าในสถาบันเนี่ย ขณะท้าา่เป็นที่กาศเศรษฐีทั้งที่เป็นโสดาบันแล้วแต่ไม่สามารถจะสอนลูกเนี่ยให้มีธรรมะได้อันนี้ก็เป็นเป็นหลายครอบครัวนะในสถธกานบางค ร, ร, รอบครัวเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นโสดาบันแต่ว่าไม่สามารถจะสอนลูกเนี่ยให้ ละมิจฉาทิฐิได้อย่างพวกเราเคยดิเรื่องทิศหกเนะสิงคหลักกรรมมนุษย์สิงคลักกรรมานุษย์นี่ผู้เป็นโคผู้ที่บูชาทิศ ท, ทิศเหนือทิศใต้ต้อนออกต้นตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างพียงพ่อเนี่ยนะแม่ก็โสดาบันฑนะแต่ว่าไม่สามารถจะทําให้ลูกคือสิงคหลักกมานุษย์เนี่ยถันมา มีสมาธิถี่ได้จนพระพุทธเจ้าได้มาสอนว่าเนี่ยทิฏฐกน์นะที่ถูกต้องในอริยวินัยคือนะอย่างเช่นทิฏเบื้องบนก็พ่อแม่ทิฏเบื้องหน้าครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้อย่างถูกต้องทั้งพ่อทั้งผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งมิตรสหายทั้ง คู้ครองแล้วก็คนรับใช้ลูกหลานอันนี้คือทิศที่สำคัญกว่าในชีวิตของเราคือล mm ิ hmm. ่งกระมาแล้วก็เกิดมีสามาทิฐิขึ้นอานรบินทิการเศรษฐีก็เหมือนกันนะพยายามสอนลูกให้มีธรรมะลูกไม่สนใจก็เลยเอาอุบายให้ลูกไปฟังธรรมจบกพุทธเจ้า ฟังถ้าไปฟังกี่ครั้งก็จะได้เงินด้วยความโลภนะลูกชาก็เลยไปฟังแต่ที่จริงไม่ได้ไปฟังหรอกแค่เป็นนั่งให้ได้ชื่อว่าไปฟังแต่ใจไม่ได้สนใจไปนั่งก็ะเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับมาเอาเงินวินทิกาก็รู้นะแต่ก็ให้ แล้วตอหนลนังก็บอกว่าเนี่ยเพื่อเป็นการพิสูจน์ได้ไปฟังจริงก็ให้มามาเล่านะว่าได้ดินอะไรบ้างผู้เจ้าได้เทศอะไรบ้างด้วยความอยากได้เงินก็เลยอ้าวคราวนี้ไม่ใช่ไปแต่ตัวนะก็ตั้งใจฟังด้วยแต่ว่าผู้เจ้าก็บรรดาให้ลูกชายเนี่ยจาเท่าไหร่ก็จาไม่ได้ นะพยายามจะจาจาแค่ประโยชน์สองประโยชน์เนี่ยจะได้กลับไปราย ง, งานพ่อนะแล้วก็แบมือเอาเงินแต่พรายามจำแม้นะแต่ประโยชน์สั้นๆก็จำไม่ได้ก็เลยต้องตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังมากขึ้นคราวนี้ก็ก็ซึมซับนะซึมซาบเนื้อหาพอได้ฟัง ต่อเนื่องก็เข้าใจธรรมะบอกว่าในสุดนี้ก็บรรลุ ธ, ธรรมเลยนะบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระสดาบันเลยกลับไปบ้านนะหน้าตาอิ่มเอิบอันนั้นเป็นที่กายเห็นก็จะให้เงินแต่ว่าลูกชาวไม่ต้องแล้วเพราะว่าได้อริยสนะัพย์แล้วอันนี้เรียกว่าบรรลุสดามันเพราะปัญหานะ คือความอยากได้เงินอยากได้ค่าจ้างค่าจ้างฝังมันมีเยอะทีเดียวนะที่บรรลุธรรมเพราะตัณหานะบางทีก็เกิดจากการที่นะถูกเกิดจากอุบายนะของพ่อแม่นะให้รางวัลลูกนะเพื่ อ, อยากได้ไปฟังธรรมะ แต่บางทีก็เป็นเจ้าตัวเองแหละนะที่พยายามนะที่ใช้ตัณหาของตัวเนี่ยในการทำให้เกิดความตั้งใจในการทำความเพียรอย่างก็ไล่ๆนะช่วงใกล้ๆช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยกับเรื่องที่พูดเนะ่ะ คืในสาวัติกา์เนี่ยก็มีอยาจกเห็นใจเนะเป็นขอทานท่วยชวยชื่อมันลำบากมากนะอดมื้อกินมือ้อเป็นพระเนี่ยในในพุทธศาสนาเนี่ยมีข้าวกินนะไปบิณฑบาตก็มีคนให้ไม่มีอดอยาก รู้สึกว่าสบายก็เลยมาขอบวชนะก็ได้บวชนะแต่บวชแล้วเนี่ยแม้มีข้าวกินมีที่หลับนอนมีตีวร น, นะแต่ว่ามันก็ไม่สบายนะเพราะว่าต้องปฏิบัติตามข้อวัดต้องปฏิบัติตามวิ น, นัยบางช่วงเนี่ย หลายครั้งก็รู้สึกเบื่อรู้สึกลำบากอยากจะสึกตื่มบอกไปว่าตอนที่ยาจบแข่งแจงนี่บวชพรั้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะทั้งที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยเก่า ข, ข, ขําคราบปุบปากไม่ได้ทิ้งด้วยความเสียดายกันมังก็ไปแขวนไว้ที่ บนกิ่งไม้ในป่าครเวลากระสันอยากจะสึกเนะี่ยกระสันอยากจะสึกนี่ไม่เป็นต้องว่ากระสันเพราะาการมราคานะอาจจะกระสันเพราะว่าเบื่อหน่ายรู้สึกยุ่งยาก่อนะพูดแรคือว่าฝึกอัดในการบวช อันนี้ก็เกิดกระสันจะศึกได้เหมือนกันพอจะพอจะศึกนะก็เดินเข้าไปในป่านะพอเห็นเสื้อผ้าที่ตัวเองเคยสวมใส่ก็นึกถึงชีวิตที่ลำบากลำเคนก็ทำให้ไม่อยากศึกนะเปลี่ยนใจ ไม่สึกแล้ดีกว่าเนะยมันลําบากนะขืนใจเป็นฆราวาสเหมือนเดิมออกมาจากป่าบางที่เพื่อนก็เห็นนะเพื่อนก็นถามว่าไปทําอะไรเอยา่าบอไปหาอาจารย์ก็ทำํำอยู่หลายครั้งนะจนเพื่อนนี่รู้เลยนะว่าถ้าออกจากป่านี่คือไปหาอาจารย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ ตัดสินใจกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งนะถึงจุดหนึ่งก็ตั้งใจปฏิบัติพอ ป, ปฏิบัติเข้านะก็เห็นผลเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์เพื่อนก็สังเกตว่าในาหลังนี่ไม่ค่อยไปหาอาจารย์เลยไม่ค่อยเห็นเข้าป่าเลยแต่ก่อนนี่เข้าเข้าออกอยู่ประจำ ตอนนี้ไม่เห็นเลยก็เลยถามวันนี้ท่าไม่หาอาจารย์เลยจัาหวะต่อวันนี้หลอนก็ุฎเจ้าไม่ต้องพึ่งพาอาจารย์แนละ้วเพื่อนเพราก็หาว่าท่านอวดอุตรีมุสธรรมนะก็เลยไปทูลฟ้องพรูเจ้าครูเจ้าก็เลยเรียกตัวมาถามท่านก็อธิบายฟังเอย่างที่ว่ามานะอันนี้ก็เป็นนะ เรื่องของคนที่บรรลุทำได้เพราะว่าเพราะตันหามีส่วนมากทีเดียวนะใ้ความกลัวลําบากความเกลียดคร้านเนี่ยมันก็คือตันหาชนิดหนึ่งนะกว้างตันหามันไม่ได้เพียงแค่ผลักดันให้ดินน้นรนนะไปหาด้านหานี้เท่านั้นนะแต่มรวมถึงว่าการขี้เกียจที่จะทํางานก็เป็นตันหาอย่างหนึง่งอยากสบายจึงมาบวชพระแล้วก็กลัวทุกข์จึงไม่อยากศึกเนี่ย แต่ว่ามันก็เกิดผลดีนะเพราะว่าเมื่อไม่ศึกนะก็ได้มีสิ่งว่าล้อมที่ชักชวนให้ข้อหา ก, าการปฏิบัตินะหมู่มิขับปฏิบัติกันนะมันก็เหมือนกับกล่อมเกลาแล้วก็อาจจะลดกดดักแกลๆด้วยให้ปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วได้ผลก็ทำให้เกิดศรัทธาเกิดสมาธิก็ทำให้เป็นแรงหนุนทำให้ปฏิบัติได้จริงจังมากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างนะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ เ, เราจะใช้เป็นบายเพื่อ ทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะหันมาสนใจธรรมะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือมิฉะนั้นเราก็ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละนะเป็นเป็นตัวหนุนตัวส่งนะให้เกิดความเปลี่ยนในการปฏิบัติการใช้กิเลสเนี่ยมันก็เป็นอุปายอย่างหนึ่งนะ ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกกิเลสใช้ส่วนใหญ่จะถูกกิเลสใช้มันก็เลยชีวิตก็เลยย่ําแย่มีความทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักใช้กิเลสบ้างนะมันก็มีประโยชน์นะไม่ใช่แค่ตันหายิงเนี่ยมานะด้วยก็เหมือนกันนะมานะคือความถือตัวมานะไม่ใช่แปลว่าความพยันนะ แล้วคนไทยเราไปแปลว่ามานะคือความขยันมีความมานะพยายามที่จริงมานะนี่มันไม่ไปแปลว่าขยันแต่ว่าความพยายามหลายครั้งเนี่ยเกิดจากมานะก็คือเห็นเขาทําได้เราก็ต้องทําบ้างกลัวอายกลัวเสียหน้านะมานะนี่เป็นเรื่องการเรื่องของหน้าตาเรื่องของศักดิ์ศรี เรื่องความถือตัวว่าเก่งบางทีการที่ญาติโยมกราบไหว้พระนี่ตนะอนนี้ก็ทำให้พระจะต้องนะสารวมระวังจะต้องทำตัวให้ดีนะให้สมกับที่เขากราบไหว้ อันนี้ก็เป็นมารน่าอย่างหนึ่งเหมือนกันนะหรื อ, อย่งน้อยเนี่ยจะไม่กล้าทําชั่วเพากลัวว่าเขาจะตําหนิตีเตียนกลัวญาติโยมเขาตําหนิตีเตียนพเพราะว่กลัวเสียหน้านก็เลยทําให้ต้องอประพฤติปฏิบัติตามธรรมวิ น, นัยหรือว่าเขาใส่บาตรเขาเลี้ยงดูแล้วถ้าเราขี้เกียจเนี่ยมันก็ไม่ควรเดี๋ยวเขาจะว่านะ เราต้องทำตัวให้ดีกับเขานะเพื่อเขาจะได้ไหว้เราแต่บางคกลัวศึกนะกลัวศึกแล้วเนี่ยคนจะไม่ไหว้ตอนนี้เป็นพระศึกแล้วเป็นหมาเนี่ยก็เลยไม่กล้าศึกอัตมาบางทีตอนตอนที่บวชใหม่ๆนี่ก็เตือนใจแบบนี้เหมือนกันนะว่าเนี่ยศึกไปแล้วหนีเป็นหมานะ ความคิดแบบนี้เมันไม่อยากเป็นหมาแลเกย์อย่าไปคิดสึดเลยนะไอนะความคิดว่าไม่อยากเป็นหมาเนะี่ยหรือว่ากลัวแล้วจะเป็นหมาเนะี่ยก็ก็มารณนะเหมือนกันนะเพราะว่าใครถก็อยากเป็นเทวดานะไม่อยากเป็นหมาอันนี้ก็เตือนคนไม่ให้ทําชั่วได้วเหมือนกันบางคนก็อาจจะมีจิตใจใฝ่ต่ำํำนะบางทีเห็นหญิงสาวอยากจะมีกิ๊กนะ อยากจะไปเป็นชู้แต่พอนึกว่าเนี่ยเดี๋ยวเกิดคนเขารู้เนี่ยเขาจะลุมประนามด่าว่าจะกลายเป็นหมาเนี่ยเป็นถูกกล่าวหาเป็นที่สู้สิบมิ้นทาอาจจะเอาขึ้นเฟซบุ๊กก็เลยไม่กล้าก็เลยยังรักษาสี่งข้อสามได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลที่หลายคนเนะยงัง ไม่ทำชั่วทาแต่พยายามทำความดีเพราะกลัวโทษนะโทษอันนึงคือการที่มันกระทบกะมานนะแต่เราสามารถจะใช้กิเลสนนะให้เป็นประโยชน์ในทางที่พัฒนาตนให้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ค อ, อยเตือนไม่ให้ปล่อยตัวตกต่ำนะ เพราะฉะนั้นถ้ารู้จักนะรู้จักนะใช้กิเลสนะมันก็เมื่อเป็นกิเลสของเราหรือกิเลสของคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนสามารถจ ะ, ะพัฒนาตนได้หรือช่วยคนอื่นเนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกันได้พุทธศาสนาเนี่ยจะ เรียกว่าเป็นนักปฏิบัตินิยมมากนะการการการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยนะจะไม่ได้เคร่งครัดตายตัวนะว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นเร็วอย่างเดียวล้ว น, วนนะแต่ว่าจะพิจารณาเป็นเป็นเรื่องๆไปนะ จึงสามารถที่จะเอาตัณหานี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างรูวงปู่ขาเนี่ยนะแทนที่จะให้เด็ดภาวนาพุทโธนะหลายคนเนี่ยก็จะเคร่งครัดมากนะต้องพุทโธนะอย่างอื่นไม่ได้อันนี้บางทีเราก็เห็นเขาสอนกันตามที่ต่างๆแต่หลวงปู่ขาวท่านพลิกแปลงได้เมื่อพุทโธเราเอาหมากเงาะนี่แหลนะ หรืออย่างหลวงอบคุณเนี่ยสยเป็นเลเนี่ยไปไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะเวลาท่านภาวนาเนี่ยท่านภาวนาพุโทโนธเนี่ยไม่ไปเลยภาวนาก็น้อถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นท่านก็รู้ทํายังไงนะบังเอิญ น, นะผู้หญิงขอท่านชื่อประยูนก็เลยเอาชื่อประยูนเนี่ยมาภาวนาซะเลยนะ หายใจเข้าปราหายใจออกอยู่หายใจเข้าปราทำยู่โลว่าสมาธิมาเลยนะอันนี้เรื่องกแปลงนะนักปฏิบัตินี่ต้องรู้จักพลิกแปลงที่จริงไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติหราคนที่อ่ต้องกายชียเจริญงอกงามเนะี่ยก็ต้องรู้จักพลิกแปลงนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงร่องหรือว่าไม่ตีกรอบให้กับตัวเอง แต่วิธีนี้ยที่ทําให้เราเนี่ยเป็นนายของกิเลสได้รณะที่กิเลสมันยังมันยังไม่หายไปยังไม่หมดไปเนี่ยเราก็เอามาันมาใช้เป็นประโยชน์เป็นนายกิเลสเนะอย่าให้กิเลสเป็นนายเราในสถานการณ์เวลาเราทํางานเนี่ยนะเราก็ทํางานนะอย่าให้งานทําเรา คนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้ทำงานนะส่วนใหญ่งานทำเข้ามากกว่าปล่อยให้งานทําทเราคือว่าทำด้วยความเครียดรู้สึกกดดัน ง, งานเป็นนายเราเวลานึกถึงการทางานก็เครียดขึ้นมางานเป็นนายสร้างความทุกข์ความกดดันความเครียดให้อันนี้เรว่างงานทําเรา เราต้องทางานก็คือเราเป็นนายเป็นนายเหนืองานเราใช้งานเพื่ อ, อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตเช่นทางานก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเวลาทางานก็ใช้งานนี่แหละเป็นการฝุดจิตฝุดใจอันนี้เราใช้งานให้เป็นประโยชน์ อันนี้เรียกว่าเราเป็นนายของงานแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้งานเป็นนายเราไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เครียดทําให้หงุดหิดทําให้รู้สึกกดดันเท่านั้นนแต่ว่ายังไม่รู้จักปล่อยวางงานมันก็เลยตามเราติดถึงเวลานอนก็นอนไม่ได้คิดถึงงาน อยู่กับโลกก็นึกถึงแต่งานหงุดหงิดนะโดยไม่รู้สาเหตุหรือระบายความหงุดหงิดใส่รูปใส่คนรักเพราะว่าเครียดเรื่องงานหรือกำลังคิดเรื่องงานอันนี้เรางานเป็นหนหายแล้วมันก็น่าแปลกนะเราทำงานเพื่อที่เราจะได้มีเงินและเงินก็ทำให้เราเนี่ย มีชีวิตที่ผาสุขอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของผู้คนมากมายต้องการความสุขต้องการความสบายก็เลยทำงานเนี่ยจะได้มีเงินมาซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะได้มีข้าวปลาอาหารมีปัจจัยสี่เราทำงานเพื่อความเพื่อปรารถนาความสุขแต่เวลามากลับทุกขพ้องงาน เนะ้วก็ปล่อยให้มันสร้างความทุกข์กับเรานะไม่เลือกลาสักที้วก็ไม่เคยตั้งคำถามเอ้ยเราทำงานนี่เพื่ออะไรนะเราทำงานเพื่อความสุขไม่ใช่เลยแล้วทำไมเราถึงปล่อยให้งานมันแยกเจี๊ยความทุกข์กับเรานะถ้าตั้งคำถามไม่ได้เนี่ยนะมันจะเกิดสติขึ้นมา เราถูกงานกระทำมานานพอแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะทำงานสักทีฉันจะเป็นนายงานสักทีนะไม่ให้ไม่ใช่งานเป็นนายเราไม่ให้มันกลายเป็นตัวที่กดขี่เราฉะนั้นถ้าเรามีสตินะแล้วก็เห็นนะว่าสิ่งที่ควรเป็นคืออะไรหรือว่าเราลึกได้ว่าดั้งเดิมเนี่ยเรามาทำงานเพื่ออะไร มันก็จะช่วยนะพลิกท่าทีของเราต่อ ง, งานได้ถ้าพยายามที่จะเป็นอิสระนะต่อต่อสิ่งต่างๆให้ได้หรือว่าพยายามที่จะเป็นนายสิ่งต่างๆเอย่าปล่อยให้มันเป็นนายเราเงินท้องก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นนายของเงินเนี่ย มันก็ดีนะมันก็จะเกิดความเจริญงอกงามแต่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้เงินเป็นนายเราทาทุกอย่างเพื่อเงินทะเลาะ ก, ก็เพื่อเงินโกหกก็เพื่อเงินหบังทีก็โกงเพื่อนโกงพี่น้องก็พ้องเงินยอมทําชั่วก็พ้องเงิน แล้วก็หลายคนก็ยอมตายเพื่อเงินนะไม่ใช่ตายเพราะงานนะไม่ใช่ตายเพราะทำงานหนักนะแต่จตายเพราะว่าโจนมาป้นมาจี้เอาเงินมาเสียดายเงินต่อสู้ขัดถืนก็เลยตายนะี่ว่าตายเพื่อเงินเอาที่เงินเนี่ยนะมันควรจะเป็นทาสของเรานะเราควรจะเป็นนายของเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นนายเรา ความคิดก็เหมนกันนะความคิดเนี่ยมันควรจะเป็นเป็นตัวรับใช้เรามีปัญหาก็ใช้ความคิดนี่แหละในการหาทางออกแก้ปัญหาอันนี้เราเราใช้ความคิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้ความคิดใช้เราอยากจะพักอยากจะนอนแต่ความคิดมันไม่ยอมอะ่ะ มันจะคิดต่อมันก็เลยปลุกให้เราตื่นเพื่อจะคิดคิดคิดนี่น้ำซ้ำถึงแม้เรานอนมันก็ยังใช้แจงเราเนี่ยคิดต่อไปในความฝันจนเราไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนเนี่ ย, ยมันใช้สมองของเราไม่ใช้แจงเราเนี่ยเพื่อที่จะผลิตความคิดปรุงแต่งใบต่างๆนานาจนบองทีเราถ้าจะเป็นบ้าอันนี้เรียกว่าความคิดมันใช้เราเราไม่ได้ใช้ความคิด ความคิดเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะเงินก็เหมือนกันนะเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวแต่คนก็ไม่ค่อยฉเฉลียวใจเท่าไหร่พอให้มันเป็นนายเราถ้าเราเป็นนายความคิดนะชีวิตเราจะไม่ไม่ทุกข์ไม่ย่ำแย่มันจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความความสุขและความสําเร็จแต่ถ้าหากว่าความคิดเป็นนายเราเมื่อไหร่นรนะ อาจจะมีเงินใช้ะแต่ว่ามันไม่มีความสุขร่างกายก็แย่พยายามที่ยกจิตให้ให้เป็นนายนะเหนือสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาไม่จะเป็นเงินไม่จะเป็นความคิดหรือม้แกินเหล็กจนะเผลอถูกมันใช้บ้างไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ตัวมันล้วกลับมาสตรนะีมันช่วยยกจิตของเรานี้ให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ ยี่งถ้ามีปัญญาด้วยแล้วเนี่ยจะเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงมันจะทุกอย่างก็จะไม่สามารถจะครอบงากํากับเราได้ต่อไปอันนี้เราเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติมีปัญญาเราจะเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะว่าความคิดก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นนายหรือไม่ใช่เป็นตัวกดขี่เราต่อไปนะ แต่เราจะอยู่เนื้อมันแลวเราจะเป็นฝ่ายใช้มันนะเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างความสุขเพื่อสร้างคุณงามความ